2. ความเป็นกลางเกิดได้ทั้งบังคับเอาไว้หรือเกิดจากบรราัญญาวงเล็บเปิดหนึ่งมีนาคม 2,551 ในวงเล็บสองจุดจุดนาที60วงเล็บปิดความเป็นกลางมันมีหลายแบบเป็นกลางเพราะไปบังคับเอาไว้ก็ได้เช่นคนจะมาด่าเราเราก็ท่องพุโทโธพุโทโธไว้อย่างนี้เป็นกลางไม่โกรธเขาอย่างนี้เป็นกลางด้วยการบังคับใช้ไม่ได้ อีกอันหนึ่งเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดใจเป็นกลางใจก็ไม่ดิ้นรนต่อไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นจิตก็สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็สิ้นภพสิ้นชาติเนี่ยไม่ได้ไปเอาของเก่านะหมายถึงไม่ได้ทำของใหม่ขึ้นมาของเก่าก็ไม่ได้ตามมาสิจะตามไปไหนล่ะวิบากทั้งหลายก็ตามไปเล่นงานในภพเท่านั้นแหละเมื่อภพชาติสิ้นก็จบลงตรงนั้น